ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อออกพรรษาปวารณาแล้วยังอยู่ในเสนาสนาป่ากลุ่มกติกะโจรเข้าใจว่าพวกภิกษุมีลาภจึงเข้าปล้นพวกภิกษุได้ดำเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ